ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสงสอนให้ชาวพุทธเรามาทำใจให้สงบกันเพราะว่าเวลาใจสงบจะเกิดความสุขที่มหัศจรรย์ใจขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่การทำใจให้สงบ อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทุกคนพยายามทำใจให้สงบกันให้ได้เพราะไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหนือหรือที่จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนัตสันติระรังสุ ข, ขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนัเป็นความสุขที่ปลอดภัยปลอดภัยจากความทุกข์ถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะไม่มีความทุกข์ตามมาที่สรงสอนให้เราทาใจให้สงบเพราะว่าความสุขที่เราหากันมีกันอยู่ในขณะนี้ เป็นความสุขที่อันตรายเป็นความสุขที่มีภัยเคมีความทุกข์ตามมานั่นเองเพราะความสุขต่างๆที่เราหากันอยู่ในขณะนี้มันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงมันจะต้องมีการพัดพรากจากกันพอเราไม่สามารถมีความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราเคยมีกันได้ ตอนนั้นเราก็จะไม่มีความสุขเมื่อใจไม่มีความสุขใจก็จะห่อเหี่ยวเึมเศร้ามีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความเสียใจในการทำใจให้สงบนี้เป็นะเป็นวิธีการใหม่วิธีหาความสุขแบบใหม่ที่จะมารองรับ วิธีเก่าวิธีเก่านี้มันไม่ปลอดภัยไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องทาให้เราเสียใจจะต้องทำให้เราเศ ร, ร้าใจเราควรที่จะมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันเพราะเมื่อมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว เราจะอยู่กับมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนั่นเองความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะเป็นความสุขที่ถาวรส่วนความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ผ่านทางร่างกายของเหล่านี้มันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเหมือนที่มีคำพูดที่พูดว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลง งานเลี้ยงเวลาเลี้ยงกันก็สนุกสนานเฮฮากันยิ้มแย้มแจ่มใสพองานเลี้ยงจบลงความสนุกสนานเฮฮาก็หายไปความเหงาความว้าเหวความเศร้าก็จะตามมาต่อไปเราจึงไม่ควรที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพธพะสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สามารถหาไปได้ตลอดเวลาเพราะร่า ง, งกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆนี้มันจะหมดกำลังมันจะไม่สามารถหาความสุขตามที่เคยหาได้ ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่มีกำลังวังชาก็สามารถหาความสุขมีเงินทองก็ไปเที่ยวกันไปซื้อข้าวของไปอะไรกันไปดูไปฟังไปทำอะไรกันแต่พอร่างกายแก่ลงไปหรือเวลาร่างกายเจ็บกล้ได้ป่วยตอนนั้นก็จะไปหาความสุขไม่ได้ ไม่แต่จะต้องคอยไปโรงพยาบาลไปหาหมอให้หมอผ่าให้หมอตัดนั่นแหละคือความสุขที่เรากำลังหากันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงหรือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกเหงาารู้สึกว้าเว ความรู้สึกทุกใจก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรายัางไม่มาหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันถ้าเรามาหาความสุขจากความสงบกันความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าก <c oughs> ็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ก็จะค่อยเจริญเติบโตไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราขยันดูแลคอยลดน้ำพรวนดินไปเรื่อยๆต้นน้าก็จะต้นไม้ก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับความสงบก็จะเป็นอย่างนั้นความสงบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะสงบได้แบบทันทีทันใด มันก็เป็นเหมือนกับการสร้างบ้านสร้างเรือนที่จะต้องใช้เวลาสร้างไหจะต้องขุดดินฝังฝังเสาฝังเข็มตอกเข็มวางรากฐานเทรากฐานตั้งเสาขึ้นมาได้เสาแล้วต้องตั้งคานตั้งคานแล้วก็ค่อยมาตั้งพื้นขึ้นหลังคาเนี่ยมันเป็นงานที่ ไม่ได้ทำแบบทันทีทันใดจะได้ปุ๊บได้ปับ๊บเหมือนกับเปิดไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าพอเปิดสวิทซ์ปับ๊บไฟก็ติดนะเราต้องใจเย็นต้องมีความเพียรพยายามมากเพราะเวลาเริ่มทำใหม่ๆนี่จะรู้สึกไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เนื่องจากว่าหนึ่ง มันต้องใช้เวลาสองเราทำไม่มากเราทำน้อยมันก็เลยทาให้ผลเกิดได้ช้าเกิดได้ยากถ้าเราสามารถทำได้มากเช่นทำทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็เริ่มทาใจให้สงบควบคุมความคิดตลอดเวลา มีเวลาว่างก็นั่งสมาธิหลับตาไม่ทําอะไรอย่างอื่นนอกจากกินข้าวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเท่านั้นอันนั้นถ้าทาแบบนั้น่ะผลก็อาจจะเร็วขึนพระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันก็อาจจะทาได้สาเร็จเจ็ดวันก็อาจจะได้พบกับความสงบพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง แต่ถ้าเราทำอย่างคารวาผู้ครองเรือนี่ ย, ยากเหมือนกับนักกีฬามือสมัครเล่นจะไม่มีวันที่จะไปแข่งขันกับพวกมืออาชีพได้เพราะมีเวลาฝึกฝนอบรมน้อยนักมื อ, อนักกีฬามือสมัครเล่นเขามีงานงานทำ ต้องไปทํางานทําการวันที่ว่างจากการทํางานเท่านั้นถึงจะไปฝึกซ้อมได้อย่างพวกที่ตีกรอบนี่พวกที่เป็นมืออาชีพนี้เขาไม่มีงานอย่างอื่นทําเขาตีกรอบอย่างเดียวทุกวันตั้งแต่เช้าเขาก็ไปสนามกรอบแต่คนที่เป็นมือสมัครเล่นมันธรรมดาก็ต้องไปทํางานจะมีเวลามา เข้าสนามกอล์ฟวันเสาร์วั น, าวนอาทิตย์วันหยุดงานเวลาที่จะได้ทำก็จึงมีน้อยเมื่อทำน้อยฝีมือก็สู้พวกที่เขาทำมากไม่ได้พวกที่ทามากฝึกมากก็จะมีความชำนาญมีความสามารถมากพวกมืออาชีพเขาถึงเป็นพวกที่ ได้รางวัลกันส่วนพวกมือสมัครเล่นนี้ไม่มีวันที่จะได้รางวัลถ้าลงไปแข่งกับเขาเขาไม่ให้แข่งดดเสียด้วยซ้ำไปไปเกะกะสนามเขาเวลาแข่งกอล์ฟนี่เขายังมีการคัดเลือกเลยขนาดพวกมืออาชีพด้วยกันเขายังมีการคัดเลือกว่าตีได้ระดับที่เขาให้ตีหรือเปล่า ถ้าตีไม่ได้เขาคัดทิ้งเขาคัดเขาตัดทิ้งไปหมดเพราะจะไปเกะกะไปทำให้เสียเวลาการแข่งขันของเรานขนาดมืออาชีพบางทียังไม่สามารถเข้าแข่งขันได้แล้วนับภาษาอะไรกับมือสมัครเล่นอันนี้ก็เหมือนกันถ้ายังเป็นคาราวาคู่คองเือนอยู่ผู้ที่ยังมีภารกิจการงานมี สาะเกี่ยวข้องกับครอบครัวอยู่เวลาที่จะมาฝึกจิตมาควบกลุ่มจิตทำจิตให้สงบนี้มันมีน้อยมาก mm hmm. จึงยากต่อการที่จะได้สัมผัสกับผลอันเลิศ hmm. อ mm ันประเสริฐที่จะเกิดจากการฝึกจิตฝึกใจให้เข้าสู่ความสงบ mm hmm. แต่ก็ต้องควรทำ ถ้ามีเวลาใครถือว่านี่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นก็นแล้วกันทุกคนก็ต้องเริ่มต้นจากมือสมัครเล่นก่อนไม่มีใครเกิดมาแล้วไปบวชเป็นพระได้น้อยคนมีบ้างแต่น้อยมากคนบางคนบา ร, รมีมากชาติก่อนเคยบวชมาแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วพอชาตินี้มาเกิด ก็ขอพ่อแม่บวชเนรนะหรือพ่อแม่เห็นท่าทีเด็กคนนี้มันชอบเข้าวัดมันจับบวชเนนตั้งแต่อายุสิบขวบก็มีอย่างสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนทนะ่านก็บวชตั้งแต่เป็นเนรนะแล้วก็ไม่เสกเลยอันนั้นแหละเป็นพวกที่เป็นมืออาชีพในอดีตชาติคลยเป็นมืออาชีพ เป็นเคยฝึกทำสมาธิฝึกสติมาตั้งแต่ชาติก่อนๆเคยบวชเป็นพระมาในชาติก่อนๆพอมาบวชพอมาเกิดในชาตินี้ปั๊บพอเห็นพระเห็นวัดก็อยากจะเข้าวัดไม่อยากจะไปศูนย์การค้าไม่อยากจะไปตามที่เด็กๆชอบไปกันศูนย์ สวนสนุกอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นแล้วกับไม่พิศวาสแต่พอเห็นพระเห็นวัดแล้วมันดูดเดิมใจเพราะมันเคยมันเคยกับพระเคยกับวัดมาในอดีตนั่นเองเคยสัมผัสกับความรู้สึกที่ดีจากการอยู่วดัดจากการเป็นพระเป็นเนรพอมาเห็นพระเห็นวัดมันก็เหมือนกระตุ้นความจำเก่า ก็ตุ้นความจำเก่าให้โผล่ขึ้นมาบอกนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ดีก็เลยบวชได้ตั้งแต่เป็นเนนพวกที่บวดตั้งแต่เป็นเนนแล้วอยู่ต่อไปได้นสแสดงว่าในอดีตเคยเป็นมืออาชีพมาก่อนเคยเป็นนักบวชเคยปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วอพอมาเกิดชาตินี้ก็มาทำต่ อ, อ ส่วนพวกเราทีออ่ไม่เคยคิดจะเข้าวัดไปอยู่วัดเคยคิดไปบวชเนี่ยแสดงว่าไม่เคยมีเชื้อเก่าอยู่เลยแต่ก็ไม่สายเกินแก่เออมื่อยังไม่อดีไม่เคยมีเชื้อเก่ามาก่อนเราก็ต้องสร้างเชื้อใหม่ในปัจจุบันนี้ เ, ออเราก็ต้องลองมาฝึกจิตกันครับวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันไม่ทำงาน ลองไปอยู่วัดกันไปเรียนที่วัดเพราะว่าวัดก็เป็นเหมือนโรงเรียนถ้าเราปฏิบัติที่บ้านมันก็ปฏิบัติได้แต่มันสู้ไปที่วัดไม่ได้โดยเฉพาะวัดเป็นวัดปฏิบัติคําว่าวัดที่นี่เราหมายถึงวัดปฏิบัติถ้าไปวัดที่ไม่มีการปฏิบัตินี้อันนี้ไม่ใช่คําว่าวัดสําหรับที่นี่วัดที่นี่หมายถึงวัดปฏิบัติ วัดที่มีการฝึกจิตมีการปฏิบัติสมาธิมีการเจริญสติมีการฝึกปัญญามีการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ถึงเรียกว่าวัดวัดปฏิบัติถ้าวัดที่มีตลาดนัด้ดวัดที่มีมีมหลาลสบมี เมนมีอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่วัดปฏิบัติไปแล้วก็จะไม่ได้เรียนวิธีปฏิบัติเขาจะไม่สอนถ้าไปวัดเหล่านั้นเขาจะมีแต่พิธีกรรมมีงานศพมีมหหรสศพบางทีงานศพก็มีมหหรสศพมีภาพยนต์มีลิเกมีอะไรให้ดูเพื่อบันเทาความทุกข์นึง ภาพไม่อยากให้ทุกคนต้องเศร้าโศกเสียใจกับการตายของคนนั้นคนนี้ก็เลยจัดหาละครหาอะไรมาแก้ความเศร้าไปวัดแบบนั้นไม่ถือว่าเป็นวัดที่จะไปฝึกฝนอบรมจิตใจต้องไปวัดที่เงียบที่สงบวัดบาวัดเขา ยิ่งว่าที่เงียบเท่าไหร่ยิ่งดีแต่เงียบจนไม่มีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่ดีต้องมีเงียบแล้วก็ต้องมีพระครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคอยสอนคอยบอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราต้องเริ่มต้นถึงแม้ว่าเรายัางไม่เคยมีเชื้อติดตัวมา แต่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาได้ยินได้ฟังถึงเรื่องของความสุขที่เกิดจากความสงบว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขแท้เป็นความสุขจริงเป็นความสุขที่ถาวรที่จะทำให้เราไม่ต้องเสียอกเสียใจ ที่จะทำให้เราไม่มีความเศร้าใจทุกข์ใจอีกต่อไปพอเราได้ยินได้ฟังถึงเรื่องของความสงบนี้เราก็ควรจะเกิดความสนใจขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไม่สนใจแสดงว่าเราคิดไม่เป็นถ้าเราสนใจนี่แสดงว่าเราคิดเป็นคิดเป็นคิดยังไง ถ้าเปรียบเทียบคิดเปรียบเทียบกับความสุขที่เรากําลังหากันอยู่ในปัจจุบันนี้กับความสุขที่เราจะได้รับจากการไปทําใจให้สงบว่ามันมีความแตกต่างกันเหมือนกับเปรียบเทียบรถรถยี่ห้อสองยี่ห้อรถยี่ห้อนี้อมีราคาเท่านี้มีความพิเศษเท่านี้ รถที่ห้านี้มีราคาเท่านี้มีสมรรถภาพมีคุณสมบัติอย่างนี้เมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเราก็เห็นว่าคันหนึ่งมันต้องดีกว่าอีกคันหนึ่งพอเรารู้ว่ารถเก่าที่เราใช้อยู่นี้สู้รถใหม่ไม่ได้เราก็เปลี่ยนรถกันนี่ขายรถเก่าไปแล้วก็ซื้อรถใหม่ที่ดีกว่า รถเก่าอันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นมันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่มีโอกาสที่จะหมดได้ถ้าเปรียบเป็นรถยนต์กับรถเก่าที่เราใช้อยู่มีโอกาสที่ยางจะระเบิดได้เบรกจะแตกได้ ถ้ารู้ว่าขับไปแล้วเกิดยางระเบิดเบรคแตกนี่รถตกเหวตกอะไรนี่ก็ไม่อยากจะขับแล้วไม่อยากจะเสียย่ยงภัยแต่รถใหม่นี่เขารับประกันยางไม่ระเบิดเบรคไม่แตกวิ่งแล้วปลอดภัยถึงแม้ว่ายางแตกสมัยนี้รถยังวิ่งไปได้นยรถดีๆนี่ยางแตกไม่เป็นไรวิ่งต่อไปได้ วิ่งสามล้อก็ได้ไม่ต้องวิ่งสี่ล้อนั้นนี่คือเราต้องศึกษาเปรียบเทียบดูความสุขที่เรากำหางหากันอยู่ตอนนี้เป็นยังไงความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกให้หานี้เป็นอย่างไรพอเราคิดเปรียบเทียบแล้วเราก็จะเห็นว่ามันต่างกัน ความสุขที่พระเจ้าสอนนี่เป็นความสุขที่มั่นคงถ้าวอไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่เรากำลังหากันอยู่นี้ไม่มั่นคงไม่ถ้าวรมีโอกาสที่จะเสื่อมจะหมดได้ทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตายเท่านั้น มันดีคืนดีคนที่เคยให้ความสุขกับเราก็อาจจะจากเราไปก็ได้มันดีคืนดีคนที่เคยดีกับเราก็กลับไม่ดีกับเราก็ได้ดูตัวอย่างดูละครน้ำเน่าเป็นตัวอย่างละครน้ำเน่าก็สะท้อนความจริงของของชีวิตคนเราในโลกนี้เดี๋ยวรักกันเดี๋ยวก็เกลดกัน เดี๋ยวจากกันเดี๋ยวอะไรกันมีอะไรไม่แน่นอนสมบัติเข้าของเงินทองเอา้าตัวมาแชว์หมดอายุเสแล้วแบบหมดนั้งอันนี้ก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเนี่ยความสุขแบบไม่ความสุขที่ได้จากการฟังทำตอนนี้ก็หายไปและเพราะเครื่องม้เครื่องมือที่เราใช้มันก็ไม่เที่ยง แบตเตอรี่มันมีอายุไม่เท่ากันใช้ไปใช้ไปแล้วมันก็หมดเลยต้องเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวต้องบูตใหม่ใช่ไหมามาละนี่และตัวอย่างของความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ เ, เดี๋ยวก็หมดแบบไม่บอกล่วงหน้า รถนี้ขับไปดีไม่ดีน้ำมันหมดโดยไม่รู้สึกตัวลืมดูเกวัดกลับไปกลางทาง อ, าอ้าวไอทําไมไม่วิ่งจะแล้วน้ํามันหมดหรืออาลืมเตมิมเนี่ยบางทีแบตเตอรี่เสื่อมฮะพอจะไปไหนมาไหนสตาร์ทรถไม่ติดจะแล้วหมุนกุญแจดังแชะดังแชะฉ อ, อ, อันนี้ก็ ความสุขที่จะได้จากการไปไหนมาไหนก็หายไปแล้วเลยความทุกข์ก็จะตามมานะ่ะปวดหัวต้องตามช่างต้องเอารถเข้าอู่แล้วช่วงที่ไม่มีรถจะต้องทำอย่างไรก็ไม่สามารถไปทำความสุขที่เราต้องการทำได้อนมันมีอยู่ตลอดเวลาความความทุกข์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันนี้ กับสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนนั้นวันทีรับปากว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้พอถึงเวลาบอกไม่ได้ทำเสียแล้วเปลี่ยนใจเสียแล้วหรือไม่สามารถทำได้แต่รับปากไว้ก่อนอันนี้ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกนี้ เราจึงมีความสุขสลับกับความทุกข์ไปบางวันเหตุการณ์ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีใจใจก็สบายบางวันเหตุการณ์ก็ไม่เรียบร้อยไอ้นั่นก็เป็นอย่างนั้นไอ้นี่ก็เป็นอย่างนุ้นไอ้นั่นก็เสียไอ้นี่ก็เสียไอ้นั่นก็ต้องแก้ต้องทำมันก็ทำให้เกิดอาการปวดหัวเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ อันนี้แหละคือลักษณะของความสุขที่พวกเราหากันอยู่ในปัจจุบันนี้มันต้องอาศัยหลายๆอย่างมาประกอบกันถึงจะทําให้เกิดความสุขต้องมีส่วนนั้นมามีส่วนนี้มาสนับสนุนส่วนนั้นส่วนนั้นมาสนับสนุนส่วนโน้นถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องไปกระบวนการของการหาความสุขก็ชะ ง, งักลงทันที ต้องมาแก้กันตรองไหนไม่ดีต้องมาแก้กันเราเช่นเมื่อกี้นี้เราฟังเทศกันสบายอยู่ดีๆมันก็ชะ ง, งักลงแบดหมด ด, ดีมีการเตรียมไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมก็ จ, จะต้องหยุดฟังฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงนี่แหละคือเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรส ที่เราแสวงหาให้ความสุขกับเราบางทีมันอยู่ดีๆมันก็หยุดชะงักไปบางดีๆบางทีอยู่ดีๆมันก็หายไปอพอมันไม่มาตามเวลาไม่มาตามนัดเราก็เลยเคว้งคว้างไปไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยลองคิดดูถ้าเกิดในเมืองเกิดไฟดับสักวันหนึ่งดูว ดูเสียว่าจะวุ่นวายไหมเอาสักสิบสองชั่วโมงก็พอไฟบ้านไฟในเมืองดับสิบสองชั่วโมงโอ้ยมันรู้จะทำอะไรกันดีทุกอย่างมันหยุดหมดพัดลมทีวีอะไรมันไม่ทำงานแอร์ไม่ทำงานเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆไม่ทำงานหมดทำอะไรไม่ได้เลยนี่แหละคือ ตัวอย่างของความสุขที่เรากำลังหากันอยู่ในโลกนี้ไม่นับเรื่องของร่างกายของเราที่เราก็รู้ว่ามันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆมันต้องเดี๋ยววันดีวันดีมันก็เจ็บขึ้นมาปวดขึ้นมาบางทีก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบางทีหมอบมาต้องผ่าไอ้นู่นออกผ่าไอ้นี่ นี่คือเรื่องของความสุขที่เรากําลังหากันอยู่ส่วนความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงให้หานี้ไม่มีเลยเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ทำใจให้สงบมันก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วถ้ารู้จักทรมันก็จะทำได้เรื่อยๆเหมือนว่ายน้ำเนี่ยถ้าเราว่ายเป็นแล้วเราก็จะไว่ายได้เรื่อยๆแต่ตอนที่เรายังไว่ายไม่เป็นนี่มันก็ยังไว่ายไม่ได้ แต่พอว่ายเป็นแล้วมันก็ว่ายไปได้เรื่อยๆการฝึกใจทำใจให้สงบก็เป็นเหมือนกับการหัดว่ายน้ำนี่เองหัดว่ายน้ำให้เป็นหัดทำใจให้สงบให้เป็นพอทำใจให้สงบเป็นแล้วทีนี้ก็สามารถทำให้มันสงบได้เรื่อยๆเวลาไหนมันไม่สงบก็ทำให้มันสงบได้ แล้วการทำใจให้สงบนี่มันมีสองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็ทำแบบชั่วคราวสงบแล้วเดี๋ยวก็หายหายแล้วก็ต้องทำใหม่แล้วต่อไปเราก็สามารถเข้าสู่ระดับที่สองได้ระดับที่ทำแล้วให้มันไม่หายให้มันอยู่กับเราไปตลอดให้มันสงบตลอดเวลา ตั้งไม่มีวันไม่มีโชงไหนเวลาใดที่มันจะไม่สงบไม่ว่าจะตื่นหรือจะหลับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิมันจะสงบได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นขั้นที่สองของการทำใจให้สงบพอเราได้ขั้นที่สองแล้วทีนี้งานเราก็สำเร็จ เราสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาถ้าเป็นไฟฟ้าก็ไม่มีวันดับติดตลอด24ชั่วโมงไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้ามีไฟฟ้าแบบนั้นก็ดีจะได้สบายใจจะได้ไม่ต้องกังวลว่าไฟจะดับเมื่อไหร่ไม่ดับเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ แล้วเอามาฝากพวกเรามาบอกพวกเราถ้าพวกเราเชื่อแล้วลองไปทำดูรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วจะติดใจพอได้เห็นผลมันแม้แต่เพียงแค่ขยิบตาหรืองูแลบลิ้นมันก็จะทำให้เห็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจไม่น่าเชื่อว่าสิ่งอันวิเศษเลินโลกนี้มัน อยู่ในตัวของเรานี่เองเราโง่กันไปหาสิ่งมาสัจรั์ในโลกนี้กันใช่ไหไปเที่ยวดูกําแพงเมืองจีนไปเที่ยวดูปีลามิทไปเที่ยวดูอะไรต่างๆคิดว่าเป็นของมาสัจจร์ใจแต่ไม่รู้หรอกว่าของมาสัจจันใจที่สุดในโลกนี้อยู่ในใจของเรานี่เอง ถ้าใครได้เจอของมาสัจจันใจในตัวเองแล้วไม่ไปไหนแล้วไปทำไมไปให้โง่ไปให้เหนื่อยบปล่าๆไปดูอะไรในโลกนี้ก็สู้ดูความสงบไม่ได้ถ้าได้เจอความสงบแล้วมันไม่เห็นมันไม่รู้จาว่าอะไรมาเปรียบเทียบแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาเปรียบเทียบกับความสงบได้กำแพงเมืองจีนหรพีระมิดหรอ หรือตึกลาฟ้าในกรุงนิวยอร์กเหรือดิสนีย์แลนด์หรืออะไรต่างๆที่คนเราอยากจะไปกันอยากจะไปดูกันมันไม่มีรถมีชาติเหมือนกับรถที่เกิดจากความสงบเลยรพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงไม่มีอะไรรถอะไรในโลกนี้ ที่จะวิเศษเท่ากับรถแห่งธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราแท้ๆแต่กับมองไม่เห็นมันเหมือนเส้นผมบงผังภูเขาเส้นผมเส้นเดียวมันสามารถบงังภูเขาได้เพราะมันมาปิดตาเราได้นั่นเองเส้นผมนี่เล็กกว่าภูเขาแต่บงังภูเขาได้เพราะมันมา มามาปิดอยู่ที่ตาเราทำให้เรามองไม่เห็นความหลงในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็เป็นเหมือนเส้นผมบังภูเขานี่เองมันบังให้เรามองไม่เห็นความสุขอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวเราเราไม่เคยเข้าหาความสุขในตัวเราเเรามีแต่ออกไปหาความสุขภายนอกกัน ออกไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั่นคนนี้จากเรื่องนั้นเรื่องนี้จากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากอะไรต่างๆทุกคนเหมือนกันหมดถูกหลอกให้ไปหาความสุขที่เป็นกับดักของความทุกข์พเพราะพอไปได้ความสุขนั้นมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องอกหักต้องช้าใจต้องเสียใจ เพราะว่ามันจะต้องหมดไปนั่นเองนานๆเราถึงจะได้มาเจอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าสักสักคนหนึ่งที่จะมาบอกพวกเราให้รู้ว่าอย่าไปหาอะไรเลยในโลกนี้มันสู้ของที่มีอยู่ในตัวเราไม่ได้กลับเข้ามาหาของที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่า ของที่เป็นของเราอยู่แล้วเป็นของเราอย่างแท้จริงกลับไม่หากันกลับไปหาของที่ไม่ใช่เป็นของเราของที่มันไม่เป็นของเราก็แสดงว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปนั่นเองเช่นเราไปยืมของเข้ามาอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ได้เป็นของเราเดี๋ยวเจ้าของของเขาก็ต้องมาทวงคืนไปยืมรถเขามา แล้วทำเป็นลืมไม่ไปคืนเขาเดี๋ยวเขาก็โทรถามนะพี่รถยังไม่มาเลยเหรอถ้าเรายังไม่คืนเดี๋ยวเขาต้องไปเรียกตำรวจมาดึงมามาเอาทวงคืนไปนี่คือของต่างๆในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นของเราไม่ช้าก็เร็วจะต้องถูกเขาทวงคืนไปหมด แต่ของที่เป็นของเราอยู่กับเรามาตลอดนี่เรากับไม่รู้จักมันเรากับไม่เข้ามาหามันเพราะเราถูกความหลงนี่หลอกให้เราไปหาความสุขภายนอกใจเราเราไม่เคยคิดเลยว่าเรามีความสุขที่วิเศษอยู่ในตัวเราอยู่ในใจของเรา<ม>เราก็เลยไปหาความสุขที่ไม่ใช่เป็นของเราพอเวลาเขามาเอาคืนไป เราก็เสีย อ, อกเสียใจได้อะไรมาเวลาเขาจากเราไปก็เท่ากับเท่ากับการถูก เ, เขามาทวงเอาเกินไปนั่นเองของต่างๆในโลกนี้ใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงรู้ไหมก็ดินน้ำนมไฟนี่แหละเป็นเจ้าของที่แท้จริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ของต่างๆในโลกนี้ทำมาจากดินน้ำนมไฟเท่านั้น ถ้าเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องกลับไปสู่เจ้าของเดิมดูร่างกายของเราเป็นตัวอย่างร่างกายเราทำมาจากอะไรถ้าไม่มีน้ำนี่มันจะโตได้ไหมถ้าไม่มีลมหายใจมันจะโตได้ไหมถ้าไม่มีข้าวที่ทำมาจากดินนี่มันจะโตได้ไหมถ้าไม่มีไฟความร้อนนี่ถ้าร่างกายมันเย็นเฉียบมันอยู่ใน อในตู้เย็ยนแช่แข็งเนี่ยไปดูศพเนยเวลาคนตายเนี่ยเขาแช่แข็งไว้ในโรงใช่ไหมมันก็ไม่มีวันที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้อยู่มาได้จนถึงบัดนี้การที่ร่างกายของเราอยู่กันมาได้จนถึงบัดนี้ก็มีการเติมดินน้ำลมไฟตลอดเวลาลมหายใจนี่เข้าออกตลอดเวลาน้ำดื่มนี่คอยดื่มอยู่เรื่อยๆ ไปไหนมักจะมีขวดน้ำกันนะเดี๋ยวก็คอแห้งแนละ้วเดี๋ยวก็ต้องดื่มน้ำเดี๋ยวอากาศหนาวก็ต้องมีอะไรมาห่มผ้าให้ร่างกายมันอบอุ่นแล้วดินก็ต้องคอยเติมอยู่แล้ะกินข้าวกินขนมปังกินพิซซ่ากินแม็กทำมาจากดินนั้นแหละพวกขนมปังมันก็ทำมาจากแป้งสาลี แปง้งแป้งสาลีก็ทํามาจากข้าวสาลีฮข้าวมันก็ต้องปลูกในดินมันถึงจะโผล่ขึ้นมาได้มีทั้งดินทั้งน้ําทั้งนมทั้งไฟผสมกันจึงทําให้ต้นข้าวจเจริญงอกงามแล้วก็กลายเป็นรวงข้าวแล้วเราก็มาหุงมากินกันพอเข้ามาในร่างกายมันก็ไปเสริมอาการ32ของเราใช่ไหมรักษาแล้ว อาการ32ให้อยู่ต่อไปได้แต่ในที่สุดมันก็ต้องหยุดทํางานร่นางกายต่อไปมันก็หมดแรงปอดมันหายใจไม่ไหวมันก็หยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นร่นางกายก็อยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าทิ้งไว้เฉยๆถ้าลมก็ไปก่อนละ ลมก็จะระเหยออกจากร่างกายไปไฟก็จะออกไปร่างกายก็เย็ยนเฉียบแล้วเดี๋ยวน้ําก็ไหลออกมาทิ้งไปนานๆมันก็จะแห้งกรอบผุกลายเป็นดินไปนี่แหละคือเจ้าของแท้ก็คือดินน้ำนํำลมไฟเจ้าของของร่างกายของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของมัน เราไปรับมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่สร้างให้เราแต่เราไม่สามารถที่จะถือครองเป็นของเราไปได้ตลอดเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเจ้าของเดิมจะมาขอทวงคืนไปเจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยซาลาหลังนี้เดี๋ยวมันก็กลับไปเป็นดิน ทิงไปอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ล้มพับลงไปเองเดี๋ยวมันก็หมดกําลังที่มันจะอยู่ร่วมกันตะปูที่ตอกติดกันเดี๋ยวมันหมดกําลังไม้ที่มันติดอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันก็จะหลุดจะจะพังลงมาสังกะสง ส, งสังศี่ยต่อไปก็ผุกลายเป็นขี้สนิมไปไม้ต่อไปก็ผุเปื่อยไปกลายเป็นเดินไปหมด นี่คือสิ่งต่างๆที่เราหากันในโลกนี้ที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเป็นของยืมมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเืินเข้าไปหมดพอร่างกายนี้ตายไปเราเอาอะไรไปได้ไหมเราคือใครเราคือผู้รู้ผู้คิดนี่เองผู้ที่คอยสั่งให้ร่างกายไปหาห้น่นมาให้เราไปหาหนี่มาให้เรา แต่พอร่างกายมันบอกว่าไม่มีกำลังเสร็จแล้วที่จะทําตามคําสั่งได้ของต่างๆที่เราหามาได้ด้วยร่างกายก็ไม่สามารถเอาไปได้พอร่างกายหมดลมเราก็ต้องแยกตัวเราออกจากร่างกายไปเรามาตัวเปล่าๆนะแล้วเดี๋ยวเวลาร่างกายตายเราก็ไปตัวเปล่าๆ ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยความสุขต่างๆที่เราหากันแทบเป็นแทบตายในโลกนี้ก็ต้องทิ้งมันไปหมดตอนนั้นแหละเราจะรู้สึกเสีย อ, อกเสียใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แต่เราก็ไม่เข็ดไม่ไม่จํากันพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังอยากจะหาความสุขต่างๆ โดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต่อไปอีกเราก็เลยไปเกิดใหม่กันไาได้ร่างกายอันใหม่เ้วก็มาทำอย่างที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้หาข้าวของเงินทองหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขแล้วก็ต้องมาทุกกับข้าวของเงินทองทุกกับคนนั้นคนนี้เพราะคนนั้นคนนี้ข้าวของเงินทองมันก็ไม่แน่ไม่นอน บางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีบางทีมันก็อยู่บางทีมันก็ไม่อยู่พอมันไม่ดีมันไม่อยู่มันก็ทําให้เราทุกข์กันแต่เราก็ไม่เข็ดเพราะเราไม่รู้วิธีหาความสุขที่ดีกว่านี้นั่นเองทุกคนก็ไม่รู้วิธีว่าทําไมจะต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี่ก็เพราะว่าเราต้องอาศัยมันให้ความสุขกับเรานั่นเอง พอเราใส่มันให้ความสุขกับเราเราก็เลยต้องมาทุกข์กับมันทุกคนจะต้องทุกข์อย่างนี้ไปจนกว่าจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามามาค้นพบความจริงว่ามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึง่งที่ไม่ต้องวุ่นวายที่จะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆไม่ต้องทุกข์กับร่างกาย ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้นั่นเองความสุขที่จะเกิดจากความสงบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีธรรมธรรมที่เป็นตัวนำที่สุดตัวแนวหน้าเลยก็คือสติธรรมสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในะบวนการของการสร้างความสุขภายในใจ ทำใจให้สงบเพราะใจจะไม่สงบถ้าไม่มีสติคอยหยุดมันเหมือนกับรถยนต์นี้ถ้าต้องการให้มันหยุดนี่ต้องใช้อะไรถึงจะหยุดมันได้ต้องใช้เบรกพอต้องการจะหยุดเหยียบเบรกปั๊บรถมันก็หยุดเลยถ้าไม่มีเบรกนี่ไม่รับรองได้ว่าไม่กล้าไปขับไปไหนกัน เขาร้วเดี๋ยวเกิดจะต้องการหยุดมันไม่หยุดเนี่มันก็ต้องไปชนกันรถที่เบรกไม่ดีจึงมักต้องเข้าอู่กันก่อนไปไปซ่อมเบรกไปให้ช่างเขาเช็คดูให้ทําเบรกให้มันดีพอเบรกดีแล้วถึงจะกล้าขับออกไปตามท้องถนนต่างๆตามเบรกไม่ดีเดี๋ยวขับไปชนกันก็ต้องเสียเงินเสียทองอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัว อาจจะต้องติดคุกติดตารางหรืออาจจะต้องเสียชีวิตไปก็ได้คนจึงไม่กล้าขับรถที่ไม่มีเบรกหรือเบรกไม่ดีก่อนจะขับรถนี้ทุกคนต้องเช็คดูเบรกกันดูว่าเหยียบแล้วมันหยุดได้หรือเปล่าถ้าเหยียบแล้วมันไม่หยุดก็อย่าไปขับมันดีกว่าฉันใดการจะทําใจให้สงบก็ต้องมีเบรกเบรกของใจก็คือสติ ต, ตอนนี้ใจของพวกเราเหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกเนีมันไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหยุดความคิดเลยคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็ยังคิดต่อเวลาเราฝันนี่มันก็เป็นความคิดทั้งนั้นนะคิดทั้งขณะที่ตื่นคิดทั้งขณะที่หลับไม่มีเวลาใดเลยที่บอกว่าเราไม่ได้คิดไม่มีเพราะเรามีสติน้อยมาก มีสติพอจะยับยั้งการกระทำได้ทางวาจาทางร่างกายแต่ทางใจนี้ยับยั้งได้บ้างเช่นคิดจะไปขโมยเงินแล้วก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าหยุดคิดทางนั้นหันไปคิดทางอื่นแทนก็ไม่ไปขโมยเงินแต่ถ้าลองคิดจะขโมยเงินอยู่เรื่อยๆแล้วไม่หยุดคิดเดี๋ยวมันก็ต้องไปขโมยเงินจนได้ พวกคนที่เขาไปขโมยเงินก็เพราะเขาไม่หยุดความคิดที่จะขโมยเงินนั่นเองเราคิดว่าจะขโมยเงินก็คิดต่อว่าเราจะขโมยอย่างไรไปขโมยที่ไหนดีก็คิดไปเรื่อยๆคิดเพื่อที่จะให้สามารถไปขโมยเงินจนได้นั่นเองพวกนี้ไม่มีสติยับยั้งความคิดที่ไม่ดี คนที่มีสติพอรู้ว่าความคิดนี้ไม่ดีก็หยุดมันเสียก็ไม่ต้องไปขโมยเงินขโมยทองอยากจะมีเงินมีทองก็ไปหางานทําหาเงินด้วยการทํางานเดี๋ยวก็ได้เงินมาใช้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการติดคุกติดตารางนี่คือความคิดที่เราไม่เคยหยุดมัน เราหยุดได้แต่เฉพาะเวลาที่มันคิดไม่ดีหยุดมันแล้วก็เปลี่ยนให้มันไปคิดเรื่องอื่นแทนแต่เราไม่สามารถหยุดให้มันไม่คิดเลยไม่ได้ให้มันนั่งเฉยๆให้มันอยู่เฉยๆแล้วไม่คิดให้รู้เฉยๆใจเรามีสองมีสองบทบาทมีสองความสามารถคือสามารถคิดกับสามารถรู้ เราคิดตลอดเวลาเรารู้ตลอดเวลาแต่เราไม่สามารถหยุดความคิดแล้วให้รู้เฉยๆได้ถ้าเรารู้เฉยๆได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรรู้ว่าใครชมเราก็เฉยๆไปใครด่าเราก็เฉยๆไปแต่พอใครชมเราเราก็คิดดีใจขึ้นมาพอใครด่าเราเราก็คิดเสียใจขึ้นมา เความดีใจเสียใจก็เกิดจากความคิดของเราไม่พอใจไงเราใครด่าเราเราก็คิดไม่พอใจไอ้คนคนนี้มันมันไม่ดีมันไม่มันไม่หวังดีกับเรามันไม่ชอบเราคิดไปแล้วมันก็ทําให้เกิดความเสียใจเกิดความโกอธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่คิดเราจะไม่มีความเสียใจเพียงแต่รับรู้เฉยๆเขาด่าเราก็รู้ว่าเ้าด่าเรา ก็ด่าก็ด่าทําไงล่ะไม่ใช่เราเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนด่าตัวเราเราไปเสียใจทําไมปากของเขาเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าถ้าคนที่ฉลาดก็จะเฉยๆจะรู้เฉยๆจะไม่ไปคิดให้เสียอกเสียใจเพราะรู้จักหยุดความคิดที่จะสร้างความเสียอกเสียใจให้เกิดขึ้นนั่นเองแล้วเราต้องมาฝึกหยุดความคิดกันให้ได้ เพราะถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วใจของเรานี้จะมีความสุขนี่คือทำขั้นที่หนึ่งที่เราต้องมาพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ก็คือสติสตินี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งต่างๆยิ่งกว่าธรรมอื่นๆสำคัญกว่าสมาธิสำคัญกว่าปัญญาสำคัญกว่าศีลสาคัญกว่าอะไรทั้งหมด สองเปรียบเทียบสติเหมือนเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในป่าไม่มีรอยเท้าของสัตว์ใดที่จะมาครอบรอยเท้าช้างได้มีแต่รอยเท้าช้างที่จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้ทำที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญที่สุดก็คือสติ ถ้าไม่มีสติแล้วทำอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้สมาธิก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้คือความสงบปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้การดุดพ้นจากความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีสติสสสสเป็นผู้นำสตินี้เป็นผู้นำแต่ แต่ไม่ใช่เป็นทรรมชนิดเดียวที่จะมาใช้ในการทำใจให้สงบนอกจากสติแล้วก็ต้องมีปัญญาปัญญานี้จะทำให้จิตสงบอย่างถาวรสตินี้จะทำให้จิตสงบได้ชั่วคราวเวลาเรามีสติอคอยควบคุมความคิดให้หยุดความคิดพอจิตเราหยุดความคิดความสงบก็โผล่ขึ้นมา แต่พอเราหยุดสติเราไม่ใช้สติความคิดก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วความสงบก็จะหายไปเวลาเราเข้าสมาธิเราใช้สติหยุดความคิดแต่พอจิตสงบแล้วเราก็ไม่ได้ใช้สติพอไม่ใช้สติเดี๋ยวความสงบก็หายไปแล้วเราก็เริ่มคิดใหม่อีกถ้าเราอยากจะให้มันสงบใหม่เราก็ต้องใช้สติหยุดมันใหม่ ถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติกันถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้ตอนนี้เราก็ต้องมาศึกษาวิธีสร้างสติวิธีสร้างสตินี้มีอยู่40วิธีด้วยกันเครื่องมือที่จะใช้ในการสร้างสติเขาใช้เขาเรียกว่ากรรมาฐานกรรมาฐานนี้มีอยู่40ชนิดด้วยกัน เราสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องมือของช่างนี่มีหลายชนิดมีเลื่อยมีค้อนมีขวานมีอะไรหลายอย่างด้วยกันช่างเขาก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงานที่เขาจะทำเครื่องที่กรรมฐานสี่สิบก็เหมาะกับจริตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน พวกเราทุกคนนี่มีจริตไม่เหมือนกันบางคนก็หนักไปทางโทสะจริตบางคนก็เหมาะหนักไปทางโมหะจริตบางคนก็หนักไปทางโลภจริตราคะจริตศรัทธาจริตพุท ธ, ธิจริตเนี่เห็นกรรมฐานที่จะมาใช้ให้เหมาะกับจริตของแต่ละคนก็เลยไม่เหมือนกันะแต่มีกรรมฐานอยู่ ชนิดหนึ่งที่สามารถใช้กับคนทุกคนได้ก็คือพุทธานุสติพุทธานุสตินี้รู้สึกว่าจะเหมาะกับชาวพุทธชาวไทยที่มีความศรัทธามีความเคารพในพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกสบายใจพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสติ เพื่อให้หยุดความคิดได้ถ้าเราคิดไม่ยอมหยุดเราลองท่องพุโทโธดูไปเรื่อยๆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวความคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะหายไปเหลือแต่พุโทโธอยู่ก็คิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอจิตมันนิ่งปั๊บพุโทโธก็หยุดไปเองอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กับคนจริตทุกคนได้ก็คือ อาณาปณะสติคือการดูลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เพียงแต่ให้ดูเฉยๆให้ดูลมอันนี้ต้องใช้ตอนที่เรานั่งเฉยๆถ้าเวลาเดินทำอะไรนี้ดูลมไม่ได้ยากเพราะลมมันละเอียดแล้วจิตเราหยาบเวลาที่เราเคลื่อนไหวจะดูลมยากก็ให้ดูล่างกายแทน เป้าดูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกำลังนั่งก็นั่งไปกับร่างกายกำลังทำงานก็ทำงานไปกับร่างกายกำลังอาบน้ำก็อาบน้ำไปกับร่างกายแปรงฟันก็แปรงฟันไปกับร่างกาย อ, อยาแยกกันไปคนละที่ ส่วนใหญ่แล้วมักจะแยกใจกับร่างกายกันร่นางกายอาบน้ําเราก็ไปคิดถึงเมื่อวานนี้แล้วคิดถึงพรุ่งนี้แล้วคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วถ้าอย่างนี้เรียกว่าใจแตกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่มีสติถ้ามีสติใจจะต้องอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวอาบน้ําก็อาบน้ําไปกับร่างกายร่างกายอาบน้ําใจก็อาบน้ําไปด้วยเอ ร่างกายแปลงผันใจก็แปลงผันไปด้วยอย่าแปลงผันไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สแสดงว่าไม่มีสติแล้วถ้าอยู่กับร่างกายมันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เการเข้าดูร่างกายก็เป็นอุบายของสติที่จะทำให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ re. พอมันไม่คิดแล้วพอเรามานั่งสมาธิก็ดูลมต่อดูลมมันก็จะไม่คิดพอมันไม่คิดเดียวเดียวมันก็จะสงบนิ่งแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นมาทันทีนี่คือการฝึกสติเพื่อหยุดความคิดพอทำจิตให้สงบต้องทำสตินี่ต้องทำตลอดเวลาในสี่เรียบทไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งหรือจะนอน ต้องมีสติคอยกำกับความคิดคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาอย่าให้มันคิดนอกจากเรื่องที่จำเป็นจริงๆต้องคิดก็คิดได้แต่เรื่องที่ไม่จำเป็นอย่าให้มันคิดถ้าเราควบคุมความคิดได้ถ้าเราต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบเต็มที่เราต้องนั่งเฉยๆนั่งสมาธินั่งขัดสมาหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไป หรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งแล้วรับรองได้ว่านั่งไม่นานห้านาทีสิบนาทีมันก็นิ่งสงบได้แล้วความสุขอันวิเศษที่มีอยู่ในใจก็จะโผล่ขึ้นมาแต่มันก็จะสงบได้ชั่วคราวเพราะสติที่เราทำให้มันสงบนี้มันจะหมดกำลังลง พอหมดกำลังมันจิตก็จะเริ่มคิดใหม่พอคิดมันก็อยากจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นไปเดินไปทำอะไรต่อพอมันลุกออกมาเราก็ต้องจเจริญสติใหม่ต่อไปดูร่างกายไปร่างกายเดินก็เดินกับร่างกายไปร่างกายทำอะไรก็ทำกับร่างกายไปหรือไม่เช่นนั้นก็พุโทโธพุโทโธไปมันก็จะทำให้เรามีสติกับอาง่างใหม่ได้ เราฝึกอย่างนี้ไปจนเราสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการและเวลาออกจากสมาธิก็ควบคุมใจให้สงบให้นิ่งได้ไม่คิดได้ตอนนั้นถือว่าเราได้สมาธิแล้วเราเราเก่งเราชำนาญในสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาฝึกปัญญาเพราะถ้าเราฝึกปัญญามีปัญญาเราก็จะสามารถรักษาใจให สงบอย่างถาวรนต่อไปเพราะว่า ก, การรักษาใจด้วยสตินี้ถ้าเผลอสติเวลาใดใจก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เกิดความไม่สงบขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามาฝึกปัญญาสอนวิธีรักษาใจให้สงบตลอดเวลาต่อไปใจของเราก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องใช้สติ คือใช้ปัญญามาคอยกำจัดตัวที่มาทำให้ใจเราไม่สงบนะความคิดที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความคิดไปตัดกั บ, ก, บกับความอยากต่างๆพออยากได้อะไรขึ้นมานี่ใจจะเริ่มกะวลกวายกระสับกระสายขึ้นมาไม่สงบแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่านี่ละนี่คือความอยากที่เราต้องห้ามอย่าไปทำตามความอยากพอมีความอยาก คิดไปทางความอยากแล้วมันจะทําให้ความสุขที่เรามีจากสมาธิหายไปทุกครั้งที่อยากก็อยากสอนว่าอยากไปอยากได้เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ต่อไปจะต้องหมดพอหมดมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง มันไม่เป็นของเราตลอดเพราะรู้อย่างนี้มันก็จะห้ามใจไม่อยากได้จะทำให้ใจไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรต่อไปความอยากที่จะมาทำลายความสงบในใจก็จะหายไปหมดไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องวุ่นวายใจต้องทุกข์ใจเพราะมันไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเปลี่ยนไปโดยจากเราไป มันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดออพอคิดอย่างนี้เป็นมันก็จะไม่เอาอะไรไม่อยากได้อะไรออมันก็จะทำให้ความอยากหายไปพอความอยากไม่มีในใจความสงบก็จะสงบไปตลอดออไม่มีวันสิ้นสุดออพอได้ความสงบที่สงบไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากถูกกำจัดไปหมดใจก็เป็นนิพพานขึ้นมา เราเนียกใจที่ที่ไม่มีความอยากนี่ใจที่สงบตลอดเวลานี่เรียกวันนิพานนิพานไม่ใช่สถานที่สวรรค์ก็ไม่ใช่สถานที่คือสถานภาพของใจสวรรค์ก็คือใจที่มีความสุขแต่ยังเป็นความสุขชั่วคราวใจที่สงบก็เป็นสวรรค์ชั่วคราวใจที่มีความสงบจากสมาธิก็เป็นสวรรค์ชั่วคราว แต่ใจที่สงบจากการกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก็จะเป็นสวรรค์ที่ถาวรสวรรค์ที่ถาวรเราก็เรียกวันนิพพานนี่เองนี่แหละคือความสุขที่ประเสริฐที่ดีที่สุดที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากความวุ่นวายต่างๆอยู่ในตัวของเราจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าเรามาฝึกสติมาเจริญปัญญากัน ถ้าเราฝึกสติเจริญปัญญาได้เราก็จะสามารถเป็นเย้าของของความสงบของความสุขที่เกิดจากความสงบของความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ถ้าทำมากก็เจ็ดวันก็ได้ถ้าทาน้อยหน่อยก็เจ็ดเดือนถ้าทาน้อยกว่านั้นก็เจ็ดปีแต่ไม่ช้าก็เร็วถ้าทำมันแล้วรับรองได้ว่าจะต้องได้อย่างแน่นอน อ น, นี่คือเรื่องของสิ่งที่พุทธเจ้านำมาสั่งมาสอนพวกเราให้เราหยุดหาความทุกข์กันและให้เรามาหาความสุขกันสิ่งต่างๆที่เราหานี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงให้มาหาความสุขที่เที่ยงคือความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการฝึกสติด้วยการฝึกปัญญาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปัจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสางกบา ยันโทปะนาระโสยตามณิโุติอระโสยตาสัพปิติโยวิวัจฉันโตสัพพโรโควิณัสตุมาเตภวโตอันตาราโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาตนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธ ธมวทนติอายุวโนสุขังภาัันนี้ดูว่ามีผู้ติดตามชมฟังกันทักเท่าไหร่ทั้งทางบ้านและทั้งที่บนเขานี่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา283 YouTube 175้า วิทยุออนไลน์43รับฟังข้างบนนี้23คนรวมทั้งหมด524ครับวันนี้ YouTube หายไปร้อยกว่าเสียแบบ ต, ติดไปร้อยครับมันจะมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหามันต้องขึ้นสองร้อยกว่าสามร้อยเ o o k ก็มีปัญหาเลยขาดไปหรือป่าไม่มีครับไม่มีมีแต่ y o u t u b บมันหลุดนะครับ เราต้องต่อไหมใช่ครับใครฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะถามอะไรถามได้นะเพราะว่าถ้าเอาไปปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ถูกมันก็จะไม่ได้ผลเหมือนทํากับข้าวไปเรียนทํากับข้าวล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องถามเงี้ยเดี๋ยวทาไม่ถูกนะ จะทอดไข่จงทอดอยังไงใส่ไข่ไปตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนได้อเปล่าะบางทีไม่ได้ถามก็บอกให้ใส่น้ํามันเข้าไปแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปน้ํามันยังไม่ทันร้อนเลยใส่ไข่เข้าไปมันก็ ม, นก ม, ม, นก ม, มันก็ไม่มันก็ไม่มีการฟูการอะไรขึ้นมา เห็นับางทีคนสอนอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดครบทุกขั้นทุกตอนคนฟังไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้แต่ถามเราต้องเอาไปทำให้ได้นะถ้าฟังแล้วกลับก็ไม่ไปทำเยไม่รู้ฟังไปทำไมฟังแล้วมันก็ต้องหัดเอาไปทำนะลองหาวันว่างๆสักวันนะลองไปทำดู หรือเวลาไหนว่างก็ได้ใ น, ในแต่ละวันโชงไหนพอนึกถึงคำว่าสติได้ก็ลองฝึกสติไปเราสามารถฝึกสติได้ทุกเวลาคอยครอบคุมความคิดคอยหยุดความคิดตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เราอยู่กับงานที่เราทำหรือเปล่าแค่นี้ก็พอแล้วก็เป็นการฝึกสติไปได้แล้วงานที่ดีที่สุดก็งานที่ไม่ต้องใช้ความคิด ก็าเราต้องการหยุดความคิดถ้างานต้องใช้ความคิดแล้วเราทำกรรมมันมันก็ยังต้องคิดอยู่เช่นเวลาทำบัญชีคิดทำบัญชีบวกเลขอะไรมันก็ต้องใช้ความคิดแต่งานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปงรงฟันจัดของอย่างนี้มันไม่ต้องใช้ความคิดมากทำความสะอาดกวาดทูอะไรมันไม่ต้องใช้ความคิดมากอย่างนั้นจะ งานแบบนั้นมันจะทำให้ไม่ทให้คิดไม่ต้องคิดมากแต่ถ้างานอย่างอื่นนี่งานบัญชีงานติดงานวางแผนงานทาอะไรที่ต้องใช้ความคิดถึงแม้มีสติมันก็ไม่ไม่ช่วยอะไรได้มากเพราะมันไม่ได้ไปหยุดความคิดนั่นเองสติจึงถือว่าอาจจะมีสองแบบสติที่สัมมาสติกับวิชชาสติ สามาสติก็ต้องเป็นสติที่คอยหยุดความคิดนะิชชาสติก็คือมีสติแต่ไม่ได้หยุดความคิดนะมีสติอยู่กับการทำงานทำงานไม่พลาดถ้าเวลามีสติบวกเลขคูณหารทำบัญชีไม่พลาดถ้ามีสติแต่มันไม่ทำให้ใจหยุดคิดนะมันต้องคิดนะอย่างนี้ก็เป็นสติอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นสติที่จะทำให้ใจหยุดคิดนะ ต้องเป็นสติแบบหยุดคิดถึงเรียกว่าสัมมาสติสติที่ต้องใช้กับใช้ควบคุมกับความคิดนี้มันก็ดีตรงที่ทำให้ทำงานได้ไม่ผิดพลาดบวกเลขคุณหารทำบัญชีนี่ทำแล้วไม่ผิดแต่มันทำให้ใช้ความคิดความคิดก็อาจจะทำให้เราไม่สงบนั่นเอง ฉะนั้นนการฝึกสติในทางศาสนาพุทธนี้ต้องการฝึกสติแบบไม่คิดเพราะมีคนบางคนเขาเถียงว่าเวลาไปช้อปปิ้งเขาก็มีสติเขาเดินเขามีสติดูกระเป๋าดูลองเท้าใจเขาก็ไม่ได้ไปที่ไหนใจเขาก็ดูที่รองเท้าดูที่กระเป๋าดูที่ป้ายราคาราคาเท่าไหร่ขเขาาก็มีสติเหมือนกันะก็ไม่ว่าอะไรมีเหมือนกันแต่ มันไม่ใช่เป็นสัมมาสติมันไม่ได้ทำให้ใจหยุดคิดมันไม่ได้ทำให้ใจหยุดอยากมันกลับทำให้อยากเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าขึ้นมาแล้วพอเห็นป้ายอู้ราคาถูกไว้ลดราคาแล้วอยากได้ขึ้นมาทันทีนี่คือสติสองแบบด้วยกันมีคำถามไหมถามไปเลยคำถามจากคุณเกศริน การยืนสมาธินะครับส่วนมากถ้าจะให้ได้ผลต้องบริกรรมหรือต้องทําจิตอย่างไรครับก็แล้วแต่เราเนี่ยก็ ล, ลองทําดูมีสี่สิวิธนะีบริกรรมก็ได้ถ้ายืนเฉยเฉมันก็ดูลมได้เดินยืนก็ดั้งมันก็เหมือนกัน่ะยืนเฉยเฉยหรือนั่งถ้ายืนถ้าไม่บริกรรมก็ดูลมหายใจเข้าออกไปพุทโธดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ได้ ที่หน้าอกหน้าท้องก็ได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการบวชเนคขมะกับการดูแลบิดามารดาทางไหนสมควรกว่ากันครับก็มันเป็นงานคนละชนิดกันมันสมควรทั้งสองอย่างบิดามารดาก็ต้องดูแลถ้าท่านดูแลตัวเองไม่ได้เราก็ต้องดูแลท่านก่อนงานอย่างอื่นก็ต้องวางไว้ก่อน ความสำคัญมันดูแลพ่อแม่มันสำคัญกว่าการที่เราจะไปดูแลจิตใจไปทำใจให้สงบแต่ก็ไม่ใา่ความว่าเราจะไม่สามารถทำด้วยกันได้เวลาที่ดูพ่อแม่ก็ดูแลไปหาข้าวหาน้าให้พ่อแม่หาเสร็จเราก็ไปถือศีล น, นิ่งขม้าไม่ต้องไปวัดก็ได้ถ้าไปวัดไม่ได้ก็ถือศีลนิ่ัขม้าที่บ้านก็ได้ สามารถทำควบคู่กันได้ไม่จาเป็นว่าจะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปแต่ถ้าต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องดูว่าอันไหนสำคัญกว่ากันถ้าพ่อแม่ไม่มีใครเลี้ยงดูเราก็มีเราคนเดียวที่ต้องเลี้ยงดูเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านไปก่อนถึงแม้ว่าในขม่าอาจจะสำคัญกว่าแต่ในในภาวะที่เป็นอยู่มันพ่อแม่สำคัญกว่าต้องดูแลพ่อแม่ไป คำถามต่อไปจากคุณเดียมีสองคำถามครับคำถามแรกผู้ที่ไม่มีสติตอนตายตายแล้วจะไปไหนครับแตกต่างกับผู้มีสติตอนตายอย่างไรครับไม่มีสติใจมกักจะวุ่นวายเวลาตายเนี่ยเวลาตายตกใจกลัวกัน แล้วก็วิบาบบาหรือบุญที่ทำไว้มันก็จะมาคนทำบาปมากๆเวลาใกล้าตายนี่จะเห็นแต่ภาพที่ไม่ดีมาหลอกหลอนจิตใจแต่คนที่มีสติหรือคนที่ทำบุญนี่ใจจะสงบจะเห็นภาพที่ดีเห็นภาพที่มีความสุขมันตายคนทำบุญนึ่งมักไปสุกคติคนทำบาปมักจะไปทุกขติ ค, คำถามอีกข้อนะครับผู้ที่มีความเพลิดเพลินในกิจการงานทังโลกไม่ได้สนใจในธรรมตายแล้วจะไปไหนครับก็แล้วแต่ว่าเขาทาบุญทําบาปมากน้อยกันอย่างไรทํางานทําการบางทีมันก็ต้องมีการทําบาปบ้างโกหกหลอกลวงกันบ้างชอบโกงกันบ้างก็เป็นการทําบาปไป ถ้ามีแต่ทำบาปไม่ทำบุญตายไปก็ไปอบายเท่านั้นถ้า บ, บาปมีมากกว่าบุญบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอบายถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์คำถามต่อไปจากคุณชลิตถ้าอาหารของปุถุชนคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญ อาหารของพระอริยเจ้าคืออะไรครับก็คือสติปัญญาหนึ่งสติปัญญาเป็นอาหารของพระอริยเพราะมีสติมีปัญญาใจจะสงบสงบแล้วก็มีความสุขพระอริยท่านถึงเจริญสติกับปัญญาขันพระอริยนี้ท่านมีสติพอที่จะไปเจริญปัญญาได้ปัญญานี้ต้องมีสติถึงจะสามารถเจริญได้ ปุตุชนนี่สติยังมีน้อยไม่พอที่จะไปเจริญปัญญาได้ไม่พอที่จะไปเจริญสมาธิได้เลยต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปเสพลาบยศสรรเสริญเพราะไม่สามารถหาความสุขจากความสงบได้แต่ผู้ที่มีสติมากก็จะสามารถทำใจให้สงบได้สามารถหาความสุขจากความสงบได้ขั้นตอนก็หาความสุขแบบชั่วคราวด้วยสติ พอได้ความสุขแบบสติแล้วก็ทีนี้ก็มาพัฒนาความสุขชั่วคราวให้เป็นความสุขที่ถาวรด้วยปัญญาต่อไปถ้าได้ได้ปัญญาทำให้ความสุขเป็นความสุขที่ถาวรก็จะเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาพระอริยบุคคลมีอยู่สี่ขั้นแต่ละขั้นนี้จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่ถาวรเพิ่มขึ้นไปตามลาดับ คำถามต่อไปจากคุณเป้าการเดินจงกรมเดินแล้วเกิดแสงขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงตั้งแต่สีสัตว์จดปลายเท้าต้องปฏิบัติอย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับสติเรามีสติอยู่กับอะไรก็อยู่กับมันไปมีสติอยู่กับพุทโธก็พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏให้เห็นถ้าไปสนใจเดี๋ยวมันก็จะ มันก็จะทำให้เราไม่มีสติเพราะไม่มีสติเดี๋ยวใจเราก็จะคิดพุ่งแต่งพุ่งเกิดความอยากขึ้นมาคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหากบ้านของเรามีปลวกขึ้นจำเป็นต้องใช้ยากําจัดอย่างนี้เราผิดศีลข้อหนึ่งแน่นอนเป็นบาปเราควรต้องทำอย่างไรครับออถ้าเราไม่ทำเองหรือไม่ได้สั่งให้คนอื่นทำก็ไม่บาปนะถ้าคนอื่นเา เขาอยากจะมาทําให้เราโดยที่เราไม่ได้ไปบอกเขาขอล่ะสั่งเขาเขาทําไปมันเราก็ไม่บาปอย่างพระนี่บางทีญาติโยมรู้ว่าทําไม่ได้ญาติโยมเขาทําบาปมากกว่า น, นี้เขาก็เลยยินดีมาทําบาปให้กับพระเพราะญาติโยมเขาก็ตกยุงฆ่ามดของเขาอยู่เป็นปกติอยู่แล้วยันมาช่วยกําจัดปลวกในวัดเขาก็เลยยินดีทําให้แต่ไปสั่งเขาไม่ได้ ไปขอร้องเขาไม่ได้แต่ถ้าบอกให้เขารู้ได้อยู่บอกว่าตอนนี้กุติปวกจะขึ้นอย่างนี้ญาติโยมเห็นว่ากูก็ฆ่าปวกที่บ้านกูแล้วไหนมาฆ่าที่วันเอาบุญไม่ได้ยังไงญาติโยมเขาก็มาฆ่าให้ก็มีอย่างนี้ก็ไม่บาปพระไม่บาปญาติโยมเ็ายินดีที่จะทำบาปอยู่แล้วเพราะเขาว่าชีวิตของเขายังต้องทำบาปอยู่ เขาก็ทำเป็นปกติของเขาอยู่แล้วแต่เขาขอทำแบบแบบได้บุญบ้างมาทำบาปเพื่อมารักษาศาสนวัตถุรักษากุติสนับสนุนให้พระได้มีที่อยู่อาศัายไม่วุ่นวายจะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปได้อันนี้ก็ อาคารวะญาติโยมบางทีเขามีอาชีพฆ่าสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เป็นประมงเนี่ยเขาก็อกไปหาปลาทุกวันเนี่ยเขาก็ฆ่าสัตว์ของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นบางทีบางทีเขาก็ยินดีที่จะมาช่วยทําในสิ่งที่พระทําทไม่ได้พระตัดต้นไม้ตัดใบไม้ไม่ได้กิ่งไม้ไม่ได้เขาก็มาตัดให้อันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ถือศีลเหมือนพระเนีไง เขาบาปอยู่แล้วเขาคิดว่าบาปอีกนิดก็ไม่ได้มากมายไายกว่ากว่าบาปที่ก็ทําอยู่เป็นประจาอยู่แล้วคําถามต่อไปจากคุณบดิดาคนที่เป็นโรคซึมเศร้านอกจากหาหมอแล้วควรทําอย่างไรครับอหาหมอแล้วก็มันก็จบแล้วใช่ไหมอะไรถ้าถ้า มันมันไม่รู้จะให้ทํำยังไงเอถ้าจะให้หายซึมเศร้าทางศาสนาพุทก็สอนให้ฝึกสติเท่านั้นแหละจิตใจซึมเศร้าเพราะความอยากเพราะความคิดอยากได้นูน่นอยากไปนี่อยากมานี่แล้วไม่ได้ก็ซึมเศร้าขึ้นมาเอคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มักจะซึมเศรา้าเพราะไปเที่ยวไม่ได้ไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรไม่ได้มันก็เลยซึมเศร้าขึ้นมาเนี่ยผลที่เกิดจากการไม่ฝึก สติตั้งแต่ตอนที่มีกำลังวังชาถ้าฝึกสติทำใจให้สงบมีความสุขในใจเวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นก็ไม่ซึมเศร้าเพราะสามารถมีความสุขที่เกิดจากการฝึกสติได้หมดแล้วครับคำถามหมดแล้วเหรอ ม, มีใครอยากจะถามไหม ไม่ถามเดี๋ยวนั่งรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวเกิดยังมีคำถามเข้ามาอยู่ยังมีเวลาอยู่ไม่มีใครอยากจะถามเลยเลยเลยัง <c oughs> เ, เราถามบ้างกัแล้วกันมาจากที่ไหนกันกลุ่มนี้หนูมาจากหนองคายค่ะหนองคายมาทำอะไรแถวนี้ละ่ะมาแต่จีนเมื่อะคะืนค่ะก็เลยนอนด้านที่เช้าคมาแต่จีนไหม มมาไังงมาแต่ประเทศจีนค่ะมาจากจีนอ่อีลูกสาวพาพาลูกสาวคือมากงงพ่อจ้เรียนมงกเรียนมังรนไปหาเขาแล้วก็กลับมาเดี๋ยวจะกลับน้องคายแวะที่นี่ก่อนลงเครื่องที่นี่นะไม่เจ้าค่ะลงตัวอณภูมิที่สาวอยู่กลางดินโอแล้วเดี๋ยวก็จะกลับน้องคายก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ พี่สาวเคยมาหรือเปล่าไม่เคยมาไมเคยนะมาครัง้งแรกถ้วเป็นไงมาแนละ้วไม่ผิดหวังนะไม่นั่นหลอบไม่พอดีพี่ชายมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นอารมณ์ขึ้นมาอ่ก็ <c oughs> ต้องสอนเขาบอกให้หัดทำใจให้สงบแล้วเขาจะมีความสุข <c oughs> เขาสมองเสียไปจะทํายังไงเขาไม่อะก็ช่วยไม่ได้ถ้าเขาไม่เขาก็ต้องรับเคาะเข้าไปอ่าก็เรามีของดีให้เขาแล้วเขาไม่เอาเขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเรามีวิธีถ้าเราถ้าเราไปทําบุญมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํายังไงให้เขารับบุญออไม่ได้เราบุญใครบุญมันนะแล้วเขาไม่ยินอืทําได้แต่เฉพาะเวลาเขาตายแล้ว เวลาเขาตายแล้วเขาทำบุญเองไม่ได้เราก็แบ่งบุญให้เขาได้แต่บุญแต่แบ่งได้ไม่มากนิดหน่อยสู้เขาทำเองไม่ได้เขาทำเองนี่จะได้ร้อยทั้งร้อยถ้าเราทำให้เขานี่แบ่งได้แค่เสี้ยวเดียวร้อยละสิบร้อยละห้าอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเขาไม่ยินดีก็ช่วยไม่ได้เขาก็ต้องรับเคารับผลของเขาไปแต่ ไม่ต้องทำบุญก็ได้ทำให้มาฝึกสติอย่างเดียวก็พอถ้าก็ไม่ชอบทาบุญยไม่เป็นไรฝึกสติไม่เสียงเงินพี่ <c oughs> หัดพุดโทโธพุโทโธหัดหยุดความคิดแล้วใจจะเย็นจะสบายจะมีความสุขที่มันทุกข์มันซึมเศร้าเพราะมันอยากอยากทำนูน่นอยากทำนี่อยากจะไปนู่นมานี่แล้วทำไม่ได้ดั่งใจอยากมันก็เลยเศร้ามันเลยซึมขึ้นมา ของนีงมันก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องอชอบามันไม่ชอบอยังไงมันก็มันไม่เอ า, เอาก็ช่วยไม่ได้ทำยังไง <c oughs> เราก็บอกเขาได้เท่านั้นแหละสอนเขาได้ถ้าเขาอยากจะรู้วิธีทำแต่ถ้าเขาไม่อยากก็ไม่รู้จะสอนอยังไงจะบอกเขายัางไงก็ช่วยได้ทางร่างกายไป ช่วยหาข้าวให้กินช่วยอาบน้ำให้เขาช่วยแต่งตัวให้เขาอะไรเท่านั้นเองแต่เรื่องจิตใจนี่เรามันไปช่วยไม่ได้เขาต้องช่วยตัวเขาเองอัตตาหิอัตโนนาถมีคำถามเขามาหรือยังถามต่อคำถามจากคุณหนูดิฉันสวดมนต์ฟังการแสดงธรรม ทำบุญซื้อเครื่องมือแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆเป็นการทําบุญแล้วอุทิศให้ญาติคนที่เสียชีวิตไปแล้วญาติจะได้รับบุญนี้ใหม่เจ้าคะ่ะบุญที่จะได้ก็คือบุญที่เกิดจากการทําบุญทําทานแต่บุญจากการไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมนี่มันยังไม่สำเร็จยังเป็นการเพียงก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอยู่ ยังไม่เป็นบุญที่อุทิศได้ถ้าเป็นเหมือนต้นไม้ก็กำลังปลูกอยู่ยังไม่ออกดอกออกผลต้องฟังธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็สามารถแบ่งธรรมมให้เขาได้แบ่งธรรมะที่เราบรรลุไปสอนเขาได้แต่ถ้าเรายังไม่บรรลุฟังธรรมนี้ยังเป็นการศึกษาล่ํ่เรียนอยู่ยังเรียนไม่จบก็ยังไม่มีอะไรที่จะไปแบ่งให้คนอื่นได้ คำถามต่อไปจากคุณอูพวกที่กิเลสหนาะปัญญาทึบแต่ทําทานทุกวันไม่ทําบาปฝึกสติทุกวันควบคู่กับการฟังธรรมมีศรัทธามากถ้าขยันปฏิบัติมีทางบรรลุธรรมไหมเจ้าคะปฏิบัติธรรมที่บ้านเจ้าคะ่ะทุกคนเมืถึงแม้จะปัญญาทึบกิเลสหนาะปัญญาทึบก็ทําให้มันบรรลุช้า กิเลสหนาะก็ทำให้มันปฏิบัติยากเพราะกิเลสมันจะเป็นตัวคอยขวางคอยขวางคอยกัน้นมันก็เลยทำให้การปฏิบัติยากปัญญาทึบก็คือมันไม่ฉลาดมันมันไม่มันไม่เข้าใจมันต้องใช้เวลาคิดหลายๆรอบถึงจะเข้าใจพวกปัญญาทึบกก็จะรู้ช้าพวกกิเลสหนาะก็จะปฏิบัติยาก มีอยู่สี่พวกด้วยกันพวกอีกพวกหนึ่งก็คือพวกกิเลสบางปัญญาแหลมคมนะพวกนี้จะปฏิบัติง่ายไม่มีกิเลสคอยมาขัดขวางแล้วก็ปัญญาก็แหลมคมก็รู้เร็วคือการปฏิบัติขั้นต้นต้องปฏิบัติสมาธิไงมันจะยากสำหรับคนที่มีกิเลสเพราะกิเลสจะทำให้เราไม่อยากจะนั่งสมาธิ มันจะอยากไปดูทีวีไปอยากกินกาแฟะอะไรมันเลยทําให้รู้สึกยากแต่คนที่มีกิเลสน้อยความอยากดูหนังดูละครกินกาแฟมันมีน้อยเวลานั่งสมาธิมันก็จะง่ายอันนี้เรียกว่าปฏิบัติง่ายปฏิบัติยากขึ้นอยู่กับว่ากิเลสมากหรือกิเลสน้อยส่วนพอผ่านขั้นสมาธิแล้วก็ต้องไปขั้นปัญญา ต้องดูเห็นตยลยักเห็นอริยสาาัจสีคนที่ฉลาดแหลมคมพอคิดไตายักก็เข้าใจพอคิดอริยสัจสีก็เข้าใจแต่คนที่ปัญญาทึบพอได้ยินไตายักก็ยังงงว่าเป็นอะไรอันนี้จังเป็นอะไรอนัตตาเป็นอะไรทุกขังเป็นอะไรยังไม่รู้ไม่เข้าใจต้องไปนั่งคิดหลายรอบก่อนถึงจะเข้าใจเรียกว่าปัญญาทึบเรียกว่ารู้ชา้า จะรู้นี่ต้องรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยสมาธิสมาธินี้ทำใจให้สงบให้มีความสุขแต่ปัญญานี่มีไว้สำหรับหยุดความอยากต่างๆด้วยการรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาอันนี้คือลักษณะของคนปฏิบัติจะแบ่งไว้เป็นสีพวกด้วยกันพวกแรกก็คือ ปัญญาปัญญาแหลมคมแล้วก็กิเลสบางพวกที่สองปัญญาทึบกิเลสหนาพวกที่สามพวกปัญญาทึบแต่กิเลสบางและพวกที่สี่พวกกิเลสหนาแต่ปัญญาแหลมคมโดยมีแบ่งเป็นอยู่สี่พวกด้วยกันในในวงการของผู้ปฏิบัติเนี่ย พวกที่มีกิเลสนาะก็จะรู้สึกช่วงปฏิบัติสมาธินี้ยากพวกที่มีกิเลสบางนี้ก็จะปฏิบัติสมาธิง่ายชอบนั่งสมาธิไม่มีนิวรณพวกที่มีกิเลสมีนิวรณ์เดี๋ยวก็อยากจะดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวก็พอนั่งทวาใครมาพูดได้ยินเสียงใครหน่อยก็หงุดหงิดโกรธที่มา พูดให้เราฟังเราได้ยินเสียงเขาโดยทั้งทั้งที่เขาไม่มาตั้งใจจะมาพูดให้เราฟังแต่พอได้เสียงคนก็โกรธขึ้นมาได้พวกนี้จะทำให้นั่งสมาธิลาบากพวกที่มีกิเลสบางไม่ไม่สนใจใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาไม่มีความอยากจะดูหนังฟังเพลงเวลานั่งก็ง่ายสงบง่าย ส่วนพอได้สมาธิแล้วขั้นปัญญานี้ก็เหมือนเด็กเรียนหนังสือทำไมเด็กบางคนเรียนสองจุดบางคนเรียนสี่จุดเพราะคนเรียนสี่จุดอาจารย์พูดอะไรก็เข้าใจหมดไอ้พวกสองจุดนี้อาจารย์พูดไปแล้วไม่เข้าใจต้องไปถามเพื่อนต่อเฮ้ยเมื่อกี้อาจารย์เขาพูดมีความหมายว่าอย่างไรวะให้อธิบายต่ออีกทีมันเลยทึบ สมองมันทึบมันช้ามันไม่ไหวเหมือนกับพวกที่แหลมฉลาดแหลมคมพอฟังปับ๊บเข้าใจปุ๊บเลยเนพอพวกที่มีปัญญาแหลมนี่พอผ่านสมาธิแล้วนี่จะบรรลุบรรลุขั้นอริยได้อย่างรวดเร็วบางคนนี่ทำทีเดียวพร้อมกันเลยมีในสมัยพุทธกาล มีภาพรูปหนึ่งเนี่ยพอเข้าขั้นปัญญาแล้วพอวันนั้นเป็นวันปงผมพอลงมิดโกนครั้งแรกก็เป็นโสดาบันพอลงครั้งที่สองก็เป็นสกิดาคามีครั้งที่สามก็เป็นอนาคามีครั้งที่สี่ก็เป็นอาหารหันเลยแสดงว่าปัญญาเฉียบแหลมแหลมคมพอพิจารณาสังโยชนิสิบนี่ก็สามารถตัดได้หมดทันทนีก็เลยทำให้นี้แสดงว่าพวกปัญญาแหลมคมรู้เร็ว พวกปัญญาทึบสังโยบมานั่งคิดเป็นยังไงว่าสักกายทิฏฐิอะไรเป็นสักกายทิฏฐิต้องมานั่งคิดนั่งอะไรบางทีไม่เข้าใจต้องไปถามคนอื่นให้อธิบายถึงจะเข้าใจช้านี่ค่ะปัญญาทึบคิดไม่เป็นนึกภาพไม่ออกนี่นคือเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมจะมีอยู่สิชนิดเนี่ยไม่ทึบ ปัญญาทึบกับกิเลสหนาะหรือปัญญาบางกับกิเลสกิเลสบางปัญญาแหลมคมหรือพวกที่สลับกันมีปัญญาแหลมคมแต่กิเลสหนาะช่วงสมาธิก็ยากแต่พอถึงช่วงปัญญาก็จะง่ายส่วนพวกที่กิเลสบางแต่ปัญญาแหลมคมปัญญาทึบพวกนี้ช่วงสมาธิจะง่าย แต่พอถึงขั้นปัญญาจะช้ามีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันบนนี้ยังครับอ่ก็คำถามจากคุณเดียการอดอาหารในการปฏิบัติธรรมของคารวาสจำเป็นไหมครับและต้องทำอย่างไรมากน้อยแค่ไหนครับการอดอาหารนี่ก็เป็นวิธีแก้ความง่วงนอนแก้ความขี้เกียจได้ กินมากๆแล้วหนังท้องมันตึงหนังผ้ามันจะหย่อนเรานักน้องกินนี่ไปๆไปนั่งสมาธิดูห้านาทีขอก็พับและวแต่ถ้าไม่กินอาหารกินน้อยมันหิวมันก็จะทําให้ไม่ง่วงแต่คนที่จะฝึกอดอาหารได้นี้ต้องมีสติควบคุมความหิวให้ได้ถ้าควบคุมไม่ได้คิดแต่อาหารเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปกินอาหารอยู่ดี ก็แล้วแต่ความสามารถของผู้ปฏิบัติว่าสามารถที่จะใช้การอดอาหารมาช่วยในการปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าใช้ได้ก็ก็จะใช้และอาจจะใช้บ่อยและใช้มากเพราะมันจะได้ผลดีมันจะทำให้ได้ปฏิบัติมากให้การปฏิบัติคืบหน้าไม่มีอุปสรรคไม่ง่วงนอนแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ก็อย่าไปใช้มันใช้แล้ว พออดอาหารแล้วจิตฟุง้งซ่านคิดแต่เรื่องอาหารไม่มีกจิตกรจใจจะนั่งสมาธิไม่มีกจิตกจใจจะเดินจงกรมก็ไม่มีประโยชน์อะไรคำถามต่อไปจากคุณภาวินีขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายถึงการเห็นไตรลักษณ์ในธรรมด้วยเถิดเจ้าค่ะทันเห็นไตรลักษณ์ก็เหมือนกับเห็นพระจันทร์กัเห็นดวงอาทิตย์นี่แหละเราเห็นพระจันทร์เห็นดวงอาทิตย์ไหม เรารู้ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเออมันอยู่กับที่ตลอดเวลาเปล่าดวงอาทิตย์มันอยู่ตรงตรงกลางศีรษะเราทั้งวันหรือเปล่ามันไม่อยู่ใช่ไหมตอนเช้ามันก็อยู่ที่ออยู่ที่พื้นดินตอนเย็นมันก็มาตกอยู่ที่พื้นดินอีกข้างหนึ่งนี่มันก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงอก็เหมือนกันอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็แปลว่าไม่เที่ยงเอ มีก็ดูสิสิ่งไหนที่มันเที่ยงมันไม่มีอะไรมันเที่ยงไม่มีสิ่งไหนที่มันเหมือนเดิมอมันเกิดแล้วก็ดับไปมันเสียงนกร้องนี่มันเกิดแล้วแต่มันก็ดับไปมันมันร้องไปทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็ร้องเดี๋ยวมันก็หยุดอันนี้ก็เรียกว่าไม่เที่ยงออนี่คือการเห็นนั้นจังเห็นนั้นหน้าตาก็คือเราไปสั่งมันได้เปล่าหน้าตามันเป็นของเราที่เราจะสั่งให้มันร้องไปทั้งคืนทั้งวันได้หรือเปล่า ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไปอยากให้มันร้องทั้งวันทั้งคืนพอมันไม่ร้องมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเราอยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนพอมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็ทุกข์ใช่ไหมอยากให้รถนี้เวลาเรา start ต้องติดทุกครั้งเนี่ยพอมันไม่ส t a r t แล้วมันไม่ติดก็ทําอะไรมันก็ทุกข์ขึ้นมาปวดหัวขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนเสมอไป รถดีขนาดไหนใช้ไปเถิดเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องเสียสตาร์ทมันก็สตาร์ทไม่ติดายชาติมันไม่ดีบัตมันหมดมันก็ไม่ติดแล้วนี่ก็เรียกว่าไม่เที่ยงอันนี้จังอนนั้นตาเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้พอมันไม่เป็นไปที่เราอยากมันก็ทำให้เราทุกทุกเพราะความอยากของเราอยากให้มันเที่ยงเท่านั้นเองแต่ถ้าเรารู้ทันเราก็อย่าไปอยากสิ มมันไ่เราต้องเตรียมตัวว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องสตาร์ทไม่ติดพอมันสตาร์ทไม่ติดเราก็มีแผนรองรับอย่างเมื่อกี้เรารู้ว่าแบตเตอรี่เดี๋ยวมันจะต้องหมดเราก็มีแบตเตรียมไว้อีกตัวหนึ่งนี่ยพอแบตอันนี้หมดเราก็เปลี่ยนแบตใหม่แต่มันจะต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนได้ตอนนั้นก็ต้องทําใจเกิดหัวใจมันหยุดเต้นมันเปลี่ยนหัวใจไม่ได้จะทำไงก็ต้องทําใจยอมรับความตายไป แต่ยอมรับความตายได้ก็ไม่ทุกข์เหมือนกันเพราะรู้แล้วว่ามันมันจะต้องหยุดเต้นไม่ ช, ไมช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณดาราการนั่งสมาธิแล้วเหมือนเคลิ้มหลับพอรู้สึกตัวจิตจะวูบเหมือนจิตรวมแต่แป๊บเดียวครับแล้วก็นั่งต่อไม่ได้เพราะใจไม่ยอมต้องแก้ไขยอย่างไรครับก็ต้องสติฝึกสติขึ้นมาใหม่พุโทโธขึ้นมาใหม่ พยะยามฝึกสติบ้างๆสติมันน้อยพอจิตจะสงบมันก็เลยเคลิมดับไปคำถามจากคุณสุบินมีสองคำถามนะครับคำถามแรกการที่เราได้ฟังธรรมจากครูอาจารย์จิตชอบอนุโมทนาตามแล้วก็แชร์ธรรมะให้คนที่เรารักอย่างนี้เป็นเจตนาที่ดีไหมครับดีก็มีของดีเอามาแจกจ่ายกัน มีของดีแจกจ่ายก็คุณมีความเมตตาคำถามที่สองนะครับการที่จิตใจของเราฝักใฝ่ในธรรมได้ทำบุญกับพระสายหลวงปู่มั่นมามากคิดว่าเกิดมามีบุญแต่ก็มีภาระรอบด้านที่ต้องรับผิดชอบอันนี้ถือว่ามีกรรมใช่ไหมเจ้าครับเจ้าคะ่ะ อจะว่ามีกรรมก็ได้หรือว่าจะว่าขี้เกียจก็ได้แล้วแต่ถ้าขยันมันก็ทําได้ถ้ามันไม่ขยันมันก็ทําไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณวรรัชสันภูมิของพระโสดาบันไม่กลัวผีแล้วใช่ไหมครับอ๋อไม่กลัวหรอกไม่กลัวตายทั้งอย่างนั้นมันก็ไม่กลัวอะไรแล้ว <c oughs> หมดแล้วเลยหมดแล้วก็ใครอยากจะถามไหม